ธรรมเทศนาของพระอาจารย์มหโบัวยางเนาะสัมปโนแสดงอปรมคณะโมอโอยและพระภิกษุสามเณรณวัดป า, ามันตาเมื่อวันที่7พฤษภาคมพศ2511 ภายในตือของหลัคือภายในร่างกายนี้ควรกระแสความรู้เข้ามาสี่กายของหราถ้าสามารถรู้ในจิตคือรู้ได้ให้ความรู้ดีกับาใจนั่นเป็นความถูกต้อง ถ้าไม่สามารถดังนั้นก็ให้ทำความรู้ไว้กับใครทัง้งแบบความรู้นี่เมื่อเข้ามาถึงกายแล้วจะทำเป็นเหตุให้มีความรู้สึกปัวเรียกว่าความรู้อยู่กับตัวเหมือนบุคคลที่อยู่ในบ้านในเรือนไม่ได้นิจากบ้านไปที่ไหนใครเข้ามาในบ้านดอมตากได้ทั้งหญิงทั้งชาย ทั้งคนดีคนเที่ยงเด็กและผู้ใหญ่เขามาด้วยเพื่อนาที่อะไรเกี่ยวกับเราย่อมทราบได้หมดเพราะเราอยู่ในบ้านถ้าไม่อยู่ในบ้านแล้วจะมีใครมาเราก็ไม่ทราบแม้ที่สุดเขามาขโมยของจะไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในบ้านเราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าของนั้นใครเป็นผู้ขโมยไป เรื่องของความรู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็เหมือนกันทนี่นั้นคำว่าบ้านในภาษาอังกฤนี้เหมือนหมายถึงส่วนร่างกายและจิตใจด้วยความรู้ที่ย้อนเข้ามาสู่ตัวนั้นละเอียใจพร้อมตั้งสติเครื่องรับทราบปัญญาเครื่องไข่กลองโลกเมื่อ ความรู้ไดส่งกระแสไปภายนอกสติไม่มีจิตจะคิดถึงเรื่องราวอะไรจึงไม่สามารถจะทราบได้ว่าถูกหรือผิดเป็นปรากฏเป็นผลคือความเดือดร้อนขึ้นมาแงย้อนเข้ามาถมถทับผมจิตใจของเราให้รับความทุกข์ความไม่สมายใจเราถึงจะทราบเลยว่าเราเป็นทุกข์แต่ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะเหตุใด ใจจริงไปต่แสวงหาผลปรากฏเช่นนี้ขึ้นมาถ้าใจได้อยู่กับตัวแล้วพอมีทางจะทราบได้แม่ที่สูกความเคลื่อนไหวไปมาของกายก็ทราบได้ความเคลื่อนไหวไปมาของจิตที่คิดไปในอารมณ์ต่างๆก็พอทราบได้เมื่อทำความ ระวังรักษาอยู่เช่นนี้เสมอไปใจก็ชื่อว่าได้รับการบำรุงจากสติคือความระมัด ร, ระวังของตัวสติซึ่งเป็นผู้ระมัด ร, ระวังก็คอยได้รับการบำรุงเช่นเดียวกันจะกลายเป็นผู้มีสติติดต่อจิตใจที่เป็นไปกับด้วยสติต่างอันต่างได้รับการบำรุงย่อมจะมีคํา ลังความสามารถขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกับเด็กที่รับการบำรุงจากอาหารอยู่เสมอย่อมเติบโตขึ้นมาได้กลายเป็นผู้ใหญ่เช่นเราท่านท่านเรื่งของจิตก็ย่อมมีวันเจริญเติบโตขึ้นแต่ไม่ได้เติบโตในลักษณะของส่วนร่างกายหากเป็นความเจริญขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจ ความรู้เหตุรู้ผลรู้ความเคลื่อนไหวดีชั่วผิดถูกของตนพอมีทางที่จะดัดแปลงแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องและมีทางที่จะบำรุงจิตใจของตนให้เป็นไปในแนวทางแห่งธรรมะได้ฉะนั้นการสสทรงผิตเข้ามาอยู่กับตัว จึงเป็นเหตุที่จะทราบได้ในหลักธรรมที่ท่านแสดงไปไม่ว่าท่านจะแสดงถึงเรื่องอดีตคือเรื่องของท่านผู้ใดหรือสัตว์ตัวใดก็ตามท่านจะแสดงถึงเรื่องของเราก็ตามจะแสดงถึงเรื่องอนาคตซึ่งทุกรูปทุกนามจะต้องเป็นไปนั้นนั้อย่างนั้น น, น, น, น, น, นก็ตามเราจะทราบตามหลักปัจจุบันที่มีอยู่นี้ ซึ่งเป็นผู้ที่จะเคลื่อนย้ายไปอนาคตปรากฏอยู่กับตัวของเราในขณะที่ฟังธรรมมีชื่อว่าเป็นผู้ฟังธรรมเพื่อหาเหตุผลเป็นการบำรุงจิตใจของเราให้มีความเจริญงอกงามขึ้นเป็นอนดับความเติบโตของใจก็คือความรู้ความฉลาดสามารถที่จะแก้ไขดัดแปลงตนให้ไปถูกทางได้และสามารถที่จะปกป้องความผิดซึ่งเคยฟัง ในจิตใจของเรามานานออกได้เป็นลำดับํำลับด้วยในขณะที่ฟังธรรมซึ่งเราพยายามรักษาจิตไม่ให้ส่งออกไปภายนอกก็เชื่อว่าเป็นการบารุงจิตใจของบนด้วยความสัมผัสแห่งธรมรมการสัมผัสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปให้ได้รับทราบทางจิตใจของเราย่อมเป็นเทศตที่จะ เราจิตใจของเราให้มีความสงบเย็นใจไปในขณะที่ฟังธรรมเพราะอารมณ์แห่งธรรมกับอารมณ์ของโลกนั้นผิดกันเช่นเดียวกับยาบำบัดโรค ก, กับสิ่งที่แฉลงต่อโรคย่อมให้ผลต่างกันสิ่งที่แฉลงกับโรคนี้จะมีน้อยเพราะแสดงผลขึ้นมาตามมากตามน้อยให้ทราบว่า นี่คือของแสลงทำให้โรคของเรากำเริบไปเรื่อยๆถ้าแสลงมากตนเองไม่มีแก่ใจหรือไม่สนใจจะแก้ไขก็ย่อมมีทางจะเจริญขึ้นโดยลำบัดเรียกว่ากำเริบ ม, มากยาเป็นสิ่งที่บาบัดโรคเมื่อถูกกับโรคคนไข้ยพยายามบาบัด ต, ตนด้วยยาที่ถูกกับโรคเสมอ โรค ก, ก็ย่อมมีวันสงบลงไปได้จนหายไปได้โดยเด็ดขาดอารมณ์แห่งธรรมะจึงเป็นเช่นเดียวกับยาบำบัดโรคเพราะอารมณ์อารมณ์ของธรรมะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับจิตนั้นไม่มีที่จอบปมมีแต่จะทำจิตใจของเราผู้รับทราบตาม เนื้อหาของธรรมะที่ท่านแสดงไปให้เกิดความสบายภายในจิตใจจนกลายเป็นความสงบสุขขึ้นมาได้ในขณะที่ฟังเทศ ในขณะที่ฟังเทศย่อมปรากฏเป็นความสงบง่ายกว่าการฝึกอบรมธรรมดาเช่นเรานั่งภาวนาเรานั่งภาวนารรหรือทำกรรมฐานอยู่โดยลำพังตนเองกับเรานั่งฟังเทศซึ่งท่านแสดงให้ฟังใจรู้สึกว่าสงบได้ง่ายกว่า การนั่งทาภาวนาโดยลำพังตนเองเพราะในขณะนั้นจ <c oughs> ิตมีความจดจอ่อรอความรู้จากธรรมะที่ท่านแสดงไปอเสมอตามปะกะติจิตมีหน้าที่ อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้จดจ่อหรือรู้อยู่กับสิ่งใดก็ย่อมรู้อยู่เฉพาะสิ่ง น, นั้นเมื่อธรรมะพิทักษ์แสดงไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องทำให้เรารู้อยู่ทุกระยะระยะจิตที่รับรู้หรือรับทราบจากธรรมะตลอดเป็นไปอยู่ตลอดสายนั้นจึงเป็นเหตุให้จิตของเราได้รับความสงบ ลงได้เนื่องจากความรู้สึกของเราที่เกี่ยวกับธรรมะที่ท่านแสดง ม, มีความติดต่อกันไม่ขาดวักขาดตอนใจก็กลายเป็นความสงบขึ้นมาได้ที่เรียกว่าเป็นตัวผลเหตุก็คือการรับภาพจากธรรมะโดยติดต่อกันไม่ขาดวักขาดตอนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในเวลาฟังธรรมแนั้น ถ้าจิตขาดวักขาดตอนไม่รับทราบไปตามระยะแห่งธรรมะที่ท่านแสดงนั่นชื่อว่าการบำรุงจิตใจได้ขาดไปเป็นตอนตอนผลที่จะปรากฏจริงไม่ค่อยจะสมบูรณ์ตามให้อ่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เพราะเหตุขาดวักขาดตอน จิตที่สงบได้ด้วยการฟังธรรมสงบได้โดวยวิธีที่กล่าวนี้รนีการอบรมภาวนาโดยลำพัำงตนเองจิตยอมมีทางที่จะเน็ดรอดออกไปสู่อารมณ์ได้ง่ายยิ่งกว่าการฟังธรรมะในเวลาท่านแสดงเพราะฉะนั้นใจจึงไม่ค่อยจะ ปรากฏเป็นความสงบขึ้นได้ง่ายเหมือนอย่างการํำเพ็ถ้าหากว่าจิตได้รับทราบจากธรรมะที่เรานำมาพิจารณาหรือว่านำมาบริกรรมเช่นกำหนดพุดโทโธคำว่าพุโทโธกับความรู้ของเราให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันไปตลอดสาย หรือกำหนดลมหายใจเข้าออกลมกับความรู้สึกของเราให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปตามระยะแห่งลมหายใจที่เข้าเข้าๆออกๆออออโดยสื่อต่อกันอยู่เสมอทั้งสองบทแห่งธรรมที่กล่าวมันเป็นทางที่จะให้ใจของเราได้รับความสงบเช่นเดียวกัน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 ทำถูกต้องตามหลักของเหตุที่ท่านแสดงไว้ผลจะเป็นที่สบายใจขึ้นมาเป็นระยะระยะจนปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่แห่งภูมิของตนคำว่าเต็มเต็มที่ตามภูมิของตนนั้นหมายถึงภูมิแห่งความสงบในขั้นต้นก็มีในขั้นกลางก็มี ในขั้นสุดแห่งสมาธิพ้นเพราะคำว่าสมาธิมีหลายขั้นตามกำลังของจิตที่จะบำเพ็ญได้แต่จะเป็นสมาธิขั้นใดภูมิใดข้อตา่างผลที่แสดงออกต้องเป็นความสงบสุขให้ผู้ปฏิบัติได้เห็นอย่างชัดเจนแม้จะไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนข้อตา่าง แต่พอปรากฏขึ้นแล้วจะไม่มีทางสงสัยว่านี่คืออะไรจะต้องทราบวันนี้คือความสุกอันเกิดจากการบําเพ็ญของเราผลประจักษ์ท่านจึงเรียกว่าปัจจตังคือรู้จำพอสมคําว่าปัจจตังนั้นไม่ได้หมายถึงธรรมะท่านสูงคือการปรับสรู้ธรรมะโดยถ่ายเดียวแต่หมายถึง ทำเป็นขั้นขั้นของผู้ปฏิบัติจะพึงได้รับผลให้ประจักษ์กับใจของตนเป็นลําดับําดับขึ้นไปเริ่มแรกแต่จิตของเรามีความฟุ้งซ่านแต่เรามาอบรมจิตใจของเราให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาประจักษ์กับตนว่าเวลานี้ใจของเราสางบผิดจากที่เคยเป็นมาคือความฟุ้งซ่านที่ปรากฏมาแต่ก่อน เพียงเท่านี้ก็จัดว่าเป็นปัจจดตังขั้นหนึ่งแล้วของผู้ปฏิบัติยิ่งการบำเพ็ญเหตุได้เป็นไปอยู่เสมอผลนี้จะนอนตัวอยู่ไม่ได้จะต้องเพิ่มความสงบความเย็นใจขึ้นเป็นลำดับๆเหมือนเงาตามตัวฉะนั้นหลักธรรมะของพระพุเทธเจ้าเมื่อผู้บำเพ็ญยึดมาปฏิบัติ ตามจดิติสัยของตนชอบแล้วจะต้องเป็นไปเพื่อความสงบเยืนใจโดยถ่ายเดียวไม่มีพิษภัยอย่างใดอย่างหนึ่งแม้เป็นส่วนละเอียดแสงอยู่ในการบาเพ็ญธรรมะนั่นเอเป็นคุณสมบัติที่ผู้ปฏิบัติจะพึงปรารถนาล้วนๆแต่ที่ได้ทราบว่าผู้ปฏิบัติกรรมฐาน ปรากฏเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเช่นเสียจะหลิบบ้างหรือผู้เพ้อไปต่างๆนานาบ้างเหล่านี้เนื่องจากามิปฏิบัติให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า จึงเป็นเหตุให้แสดงผลไม่พึงปรารถนาขึ้นมาเพราะเจ้าตนไม่รู้หรือประการหนึ่งแม้จะรู้ก็รู้ไปในทานองที่ว่าเรารู้ทางแต่ไม่ทราบว่าทางถูกหรือผิดคนอื่นบอกว่าทางนี้เป็นทางผิดคุณไม่ควรจะเดินไปทางนี้แล้วไม่ยหะยอมเชื่อฟังเขา นีเป็นทางที่จะให้เดินทางผิดหรือผิดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นบุคคลประเภทนั้นขึ้นมาจิตเป็นของที่ละเอียดมากยากที่เราจะหยิบยกขึ้นมาพูดกันธรรมดาได้ต้องที่สูตรด้วยหลักธรรมะถึงจะเห็นได้อย่างชัดเจน จะเริ่มเห็นได้แต่ใจเริ่มมีความสงบดังที่เคยเรียนให้ทราบแลวิธีที่จะพิสูจน์จิตใจของเราให้รู้ได้ชัดเป็นลำดับนั้นสิ่งที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดก็คือหลักการภาวนานี่เป็นทางที่ตรงและแน่วแน่ที่สุดแน่นอนที่สุดที่จะให้รู้เรื่องของจิตอันเป็นหลักธรรมชาติส่วนให่ของร่างกาย นี่คือหลักใหญ่โตของร่างกายทุกส่วนถ้าธรรมชาตินี้ได้หลุดลอยออกไปเสียทุกส่วนแห่งร่างกายจะหมดคุณค่าลงทันทีหรือว่าหมดความหมายไปทันทีเท่าที่ส่วนร่างกายทุกส่วนทำประโยชน์ให้เป็นไปอยู่ค้นเนื่องจากธรรมชาติที่รู้นี้ยังครองตัวอยู่ภายในร่าง หากอันนี้ได้หลุดอยไปเสียเมื่อไหร่ร่างกายก็เป็นอื่นไปทันทีนั้นใจจริงเป็นสิ่งสำคัญต้ยพยายามอบรมให้รู้เรื่องของใจวิชาธรรมะทั้งหมดที่เราปฏิบัติบำเพ็ญ เมื่อสงเคราะห์ลงแล้วก็เพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติต่อใจของตนเองรู้วิธีทางเดินของตนของใจรู้วิธีแก้ไขความคิดความปรุงของใจที่เห็นว่าไม่สมควรรู้วิธีที่จะส่งเสริมจิตใจในทางที่เห็นว่าถูกต้องดีงามแล้วให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยช่ำทองขึ้นไปเป็นอ้ำหนับ จวรสามารถรู้แจ้งแทงตลอดตามหลักความจริงทุกประเภทไม่ว่าภายนอกภายในถ้าเรียนรู้แจ้งทางจิตใจแล้วเราจะทราบได้หมดแม้จะไม่สามารถนับได้เหมือนอย่างนับเม็ดหินเม็ดทรายก็ตามดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ว่าโลกวิทูเป็นผู้รู้แจ้งแห่งจริงโลก นั้นในสาธานะทั่วไปของคุณสมบัติแห่งสาวกทั้งหลายแล้วหมายถึงเรื่องตามหลักความจริงของโลกทั้งที่เป็นโลกนอกโลกในกว้างแคบแค่ไหนสามารถรู้เท่าตามหลักความจริงของจริงทั้งปวงนั้นเสียจริงไม่มีสิ่งใดที่จะติดข้องให้เป็นเครื่องควบพันจิตใจแม้แต่น้อยนี่เรียกว่าโลกกวีภูมิ รู้แจ้งเห็นจริงไม่ติดไม่ข้องแต่คุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกประเภทหนึ่งหรือสมบัติของพระสาวกเป็นบางท่านที่มีความสามารถดังพระษารีบุตรที่มีในตำราว่าฝนตกทั้งเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยนั้นภาษาริบุตรสามารถจะนับ เม็ดฝนได้ทุกเม็ดโดยไม่ให้ขาดหรือผ่านพ้นความรู้ของท่านไปได้นยแม้แต่เม็ดเดียวนี่พูดถึงเร่งสมรรถภาพคือความสามารถของสาวกคือพระสารีบุตรเป็นผู้สามารถแต่บรรดาสาวกเหล่านั้นไม่มีความสามารถทั้งทั้ ง, ท, งที่ก็เป็นผู้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระสารีบุตร แม้เช่นนั้นภาษาลิบุตก็ไม่สามารถลือทัดเทียมองค์สมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้าได้การอารกฆาตถอยหลังก็ดีจะเลงยานไปเรื่องอนาคตก็ดีส่วนพระพุทธเจ้านั้นสามารถได้หมด เนี่ยที่ว่าอำนาจวาสนานั้นมีความแตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าโลกวีทูในคุณสมบัติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วไปในใตรโลกธาตุนี้ด้วย mm. เมื่อจะทรงหยิบยกสิ่งใดขึ้นมานับมาอ่านตัวตราหรือไก่ตรองสามารถนับอ่านได้หมดทุกชิ้นด้วย พระพุทธเจ้ามีปุลสมบัติได้ทั้งสองประการคือโลกวิูีในหลักความจริงเห็นแจ้งเห็นจริงตามสภาพสภาวะธรรมทั้งหลายด้วยหนึ่งสามารถที่จะหยิบยกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะมีจำนวนมากน้อยเท่าไห ร, ร่ก็ตามขึ้นมานับอ่านให้ได้ทุกชิ้นทุกอันโดยไม่มีมค่าเคลื่อนด้วยหนึ่ง ส่วนสาวกนั้นที่เป็นประจำหลักของโลกวิทูคือองค์แห่งความบริสุทธิ์ของท่านนั้นก็คือว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมทั่วๆไปท่านจะเห็นก็าตามไม่เห็นก็าตามในสิ่งที่ว่าท่านรู้แจ้งเห็นจริงนั้นท่านเพียงยกเอาสิ่งที่ท่านเคยเห็นเคยรู้ เฉพาะอย่างยิ่งคือส่วนร่างกายและจิตใจที่มีอยู่ในองค์ของท่านแยกออกเป็นธาตุเป็นขันตีแผลอกไปเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังนาตาแผ่กระจายไปหมดทั่วทั้งโลกธาตุจะไม่มีชิ้นใดชิ้นใดแม้ชิ้นหนึ่งจะผิดแปลกจากความเป็นอยู่จะผิดแปลกจากกันซึ่งแสดงตัวอยู่ ในองค์แห่งขันของท่านคือกองลูกเวทนาสัญญาทั้งขาหนึ่งอย่างสภาพเหล่านี้มีความเป็นจริงอยู่ด้วยตรายรัยกคือนิจังทุกขังอัตตาฉันใดสภาพทั่วๆไปในตรายโลกธาตุนี้ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ประทับใจของท่านโดยหลักปัญญานี่แลที่เรียกว่าโลกวิถีท่านรู้แจ้งเห็นจริง เทียบเคียงกันได้ทุกส่วนในส่วนแห่งร่างกายของท่านกับโลกธาตุทั่วไปว่าไม่มีสิ่งใดผิดแตกต่างกันแต่พูดถึงเรื่องไตรลักษณ์ก็ดีแต่พูดถึงหลักความจริงแห่งความมีอยู่ของสิ่งทั่วๆไปก็ดีมันเป็นแต่และอย่างละอย่างตามความจริงของมันอยู่เช่นนั้นนี่เป็นคุณสมบัติของสาวก แต่ท่านจะสามารถหยิบยกเช่นพิจณานย้อนหลังในเรื่องอดีตาชาติจะได้ทักกี่พวกผีชาตินั้นนั่นตามแต่ความสามารถของท่านจะได้มากได้นอ้อยมีความผิดแปกกันเป็นรายๆันแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่เหมือนกันไม่มีเพียนกันแม้แต่น้อยนั้น ก็คือความบริสุทธิ์ของจิตที่ปรากฏอยู่ในใจนับแต่ขณะที่ติดจรตู้แล้วว่านั้นว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอดีตอนาคตจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตดวงนี้หรืเพราะปัจจุบันนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์อนาคตจะไปปรากฏตัวอย่างไรให้ ผิดจากความบริสุทธนี้เป็นไม่มีเชื่อที่ทาให้พาให้เกิดแก่เก็บตายเป็นมาไม่รู้กี่กับก็เป็นอันมากหมดลงแล้วในปัจจุบันนกจิตที่เป็นจิตที่ซึ่งที่เป็นจิตดวงบริสุทนี้อนาคตที่จะปรากฏเป็นพบเป็นชาติข้างหน้านั้นไม่นีเพราะธรรมชาตินี้ได้ตัดภกชาติ ในตัวเองเสร็จสิ้นแล้วถ้าพูดถึงเชื่อก็ได้ทําลายเสร็แล้วเชื่อที่จะให้เกิดเป็นติดต่อไปก่อขางแหงให้เป็นภกเป็นชาตต่อต่อไปนั้นได้ถูกทําลายเสียจแล้วในใจดวงนี้บัดนี้ใจตรงนี้เป็นดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะทําให้เกิดแต่เกิดตาได้อีก แม้ขณะนี้ก็ไม่มีอันใดที่จะสั่งสังสมอารมณ์ให้เป็นไปเพื่อพบผัวชติให้เป็นไปเพื่อความรักความชังความกำหนัดยินดีให้เป็นไปเพื่อความรุ่มหลงหมดความเกาะเกี่ยวกับสมมุติใดๆแล้วทรงไว้แล้วซึ่งวีมุติคือความหลุดพ้นโดยเอกเทศของตัวเองอันนี้เหมือนกัน ไม่ว่าสาวกองค์ใดนับตั้งแต่สาวกองค์แรกจนกระทั่งถึงสาวกองสุดท้ายไม่มีอะไรผิดแปล ก, กันในความบรยสุดนี้และสามารถที่จะประกาศตัวได้ประจักใจว่าเป็นผู้สิ้นเหตุสิ้นปัจจัยเรื่องความกังวลที่เคยก่อมาเป็นลำดับลำนาได้แก่ภพชาติ ความทุกข์ความลําบากที่ตามมากับพบกับชานนั้นต้นถึงปัจจุบั น, นก็ดีและพบชาติข้างหน้าที่จะก่อทุกข์ความลําบากให้ติดต่อแขนงันไปอีกกคนในสิ้นสุดตรงแล้วในปัจจุบันนี่นเป็นเรื่องความปีนของสาวกที่รับสิทธิเสมอภาคกัน รูทเท่ากันนัตติเซโยวาปาปิอยไม่มีสาวกองค์ใดจะมีความยิ่งยอนกว่ากันในหลักธรรมชาตินี้นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาเหมือนกันหมดนี่ท่านเรียกว่าถ้าเรียกว่าจิตก็จิตวิเศษแม้จะอยู่ในร่างที่สกรปรกโสมมขุขตา ธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นไปด้วยจะอยู่ด้วยกันก็เป็นคนละชิ้นอัดเช่นเดียวกับทองคำแม้จะวางไว้ในตร่มในโคลนก็ตามตรมโคลนก็เป็นตรมโคลนทองคำต้องเป็นทองคำในหลับธรรมชาติจะไม่เชื่อมถึงกันได้ชื่อก็เป็นคนล ะ, ละชื่ อ, อกนัน ถ้าจะพูดถึงเรื่องทองคำซึ่งเป็นด้านวัตถกุก็เหมือนกับธาคที่ริ้วของทองคำภาคุที่ริ้วหมายถึงภาตขันธ์สกุลกายทั้งเราทองคำหมายถึงทองคำธรรมชาติได้แก่คํามบริสุิอยู่จำาปอะ นี่แหละบ่อแห่งความสุขโปรดหาให้เจอถ้าเจอนี่แล้วจะหมดความหวังใดๆทั้งหนังไม่มีสิ่งใดที่จะมากลึกมีคุณค่าเกินสุขที่เป็นความพอดีได้แก่ความมีสุขของใจนี้สุขนี้คือสุขพอดี ไม่ยิ่งไม่หย่อนไม่ลดไม่ด้อยลงไปเป็นความสม่ำเสมอภาคปัจจุบันนี้เป็นดูชั้นใดเรื่องอนาคตของธรรมชาตินี้ก็ไม่มีที่จะคาดหมายคำว่าปัจจุบันในอนาคตนั้นเราพูดตามหลักสมมุติ คือการที่ผ่านมาผ่านมานั้นเรียกว่าอดีตการที่เป็นไปอยู่ในบัตรนี้เรียกว่าปัจจุบันการที่จะเป็นไปข้างหน้านั้นเรียกว่านาคตกิจนี่เลยเป็นการเช่นนี้ถ้าการเ็าเรียกว่าอากาลิโกเสียคือไม่ใช่การอยู่นั่นแหละธรรมชาตินี้ถ้าเราจะเทียบตามโลกๆ อ, อาจารย์ก็ต้องขออภัยด้วยแต่เป็นความจำเป็นที่จะเทียบแม่ไม่รู้ ก, ก็พอจาก เทียบกันได้ว่าเหมือนอย่างอาวกาศถ้าเป็นอวกาศว่างเปลา่าเสียหมดไม่มีวัตถุใดๆที่จะเป็นเครื่องเทียบเทียงแล้วจะเรียกสภาพที่เป็นอวกาศนั้นเป็ น, นทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตวนออกไม่ได้นี่ก็เหมือนกันที่เราพูดถึงทิศเหนือทิศใต้ได้เพราะมีสิ่งเทียบเทียงกันอยู่ธาตุพิงกันอยู่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 การเที S <S. <S. <S. ่ยงหรือไม่เที่ยงเราจะเอาที่ไหนมาพูดเพราะธรรมชาตินั้นไม่ได้อํานวยแล้วไม่ได้อยู่ในกรอบของสิ่งเหล่านี้แล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านอยู่อย่างนั้นสาวกอรหันท่านอยู่อย่างนั้นเมื่อนี้ผ่านไปแล้วท่านก็อยู่อย่างนั้นปัจจุบันที่ธาตุขันธ์ยังอยู่ธรรมชาติคือจิตที่บริสุทธินั้นท่านก็อยู่อย่างนั้นถ้าไม่ได้อยู่แบบเราเราท่านท่านที่มีสมมุติ หุมห่ออยู่ภายในใจิตกจอันเป็น เ, เอียงหน้าเอียงหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงการเอียงเวลาเดือนปีนาทีโมงอยู่เค่ น, นั้นท่านไม่มีนี่เราจะเห็นว่าเป็นอย่างไรบ้างดูในโลกก็ไม่เหมือนโลกนี่แหละธรรมชาตินี้ถ้าทำระให้บริสุทธิ์แล้วต้องเป็นอย่างนี้โดยกันทุกดวงชื่อว่าจิตแล้ว ไม่มีสิ่งใดที่จะวิเศษยิ่งกว่าจิตเมื่อได้ฝึกทรมานให้เต็มที่แล้วแล้วมมีอะไรที่จะเร็วสามยิ่งกว่าจิตเมื่อปล่อยให้เร็วสามโดยตัวเองไม่นำพาและปล่อยตามเรื่องตามราวตามบุญตามกรรมก็เหมือนกับน้ำที่ไหลลงสู่ทางต่ําสมอต่เท่าไรยิ่งดีไห ล, ลไปจนหมดไม่มีเหลือลังที่เราท่านทั้งหลาย ได้มาพยายามมาอุตส่าห์บำเพ็ญเป็มค ต, ติกำลังความสามารถต่งนี้ชื่อว่าดำเนินตามเนีทางของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะเดินหน้าเราก็ตามสเสด็จท่านถึงวันนี้เราก็อาจจะถึงวันครุ่งนี้เพราะเดินตามทางสายเดียวกันสัวขคาตธรรมก็คือธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินไปแล้วและได้ผลมาไปแล้ว เราดําเนินตามหลักขั้งส่วนขาตธรรมก็คือก้าวตามเสด็จพระพุทธิจไม่ได้ห่างไกลจากหลักธรรมแล้วก็ชื่อว่าไม่ได้ห่างไกลจากพระพุทธเจ้านั่นแหละผลพระพุทธองค์ได้รับชั้นใดสวัสดขาตธรรมก็ชี้บอกผลชั้นนั้นไม่มีผิดแปลกแต่ต่างกันนี่แต่ น, อน้องนั้นจึงเป็นที่ภาคภูมิใจสําหรับเราที่ได้เกิดมาในภพ พ, พ, พระพุทธศาสนาและได้ชนะเวล่ำเวลา เลือดเนื้อชีวิตของเราครีสำหรับบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์พระรัตนตรยัยถวายชีวิตต่อพระองค์ท่านและว่าเป็นบุญเป็กุศลเป็นพระอำนาจวาสนาของเราอย่างดีจึงขอขอบคุณในอนุโ ม, โมทานาภารนาท่านทั้งหลาย ท, ทุกทุกทัาและขอุติธรรมเทศนาเทียข้รรม